เรารู้จักนกกระเรียนใช่ไหมนกกระเรียนนี่ที่จังหวัดชียภูมินี่ปูเขียวนี่นเคยเป็นแหล่งสุดท้ายของนกกระเรียนซึ่งตอนนี้สูญพันธุ์ไปแล้วเขากําลังฟื้นฟูเอาสายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะให้มันสืบสายพันธุ์กันต่อไปนกกระเรียนนี่เนี่ยเวลามันนอนเนี่ยมันจะยืนขาเดียว คนนี้ก็เลยอยากจะถามคําถามง่ายๆว่าทําไมนกกระเรียนเนี่ยยืนขาเดียวเวลาหลับใครเคยเจอคําถามนี้หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นคําถามที่ไม่ได้เป็นคําถามแบบสารคดีนะแต่เป็นคําถามแบบรับสมองประลองเชาใครนึกออกบ้างอาจจะตอบยากสักหน่อยแต่เราลองเปลี่ยนคําถามใหม่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 ถ้ามันหดสองขามันก็ล้มใช่ไหมกงต้องยืนขาเดียวหรือพู้ง่ายก็ไม่ต้องหดขาเดียวทําไมนกกระเรียนยืนขาเดียวนี่ถ้าตอบนี่มันตอบยากแต่พอเราเปลี่ยนคําถามเชื่อมหมว่าทําไมนกกระเรียนมันหดขาเดียวเนี่ยมันก็ตอบได้ง่ายขึ้นว่าถ้ามันหดสองขามันก็ล้มลงคําถามเนี่ยมันสําคัญนะปัญหาหรือโจทย์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 ถือดียังไงถึงมาว่าฉันจะคิดแบบนี้นี่ทุกนะแต่ลองเปลี่ยนคำถามเสื้อหมายว่าทำไมเราถึงไปอ่อนไหวถึงไปทุกข์กับลมปากของเขาเคยถามยัมมนะึงไหมทำไมเราถึงไปหวั่นไหวกับลมปากของเขาคำด่า ข, ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากลมปากหรอกมันมาแล้วก็ไป แต่ทําไมเราถึงต้องหวันว่นไหวกับลมปากของเขาลองถามอย่างนี้กับตัวเองบ้างบางทีเราจะพบว่าโอ้เราไม่นางง่าโง่ไปหวั่นไหวกับลมปากของเขาเลยหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์ว่าทําไมเพื่อนไม่เข้าใจฉันทําไมพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันทําไมแฟนไม่เข้าใจฉัน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 หรือพยายามเข้าใจเขาบ้างหรือเปล่าเวลาทําอะไรขึ้นมาเรามักจะถามว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรเมื่อไรก็ตามที่เราถามอย่างนี้เนี่ยเราจะทุกข์เราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและเราก็จะไม่มีความสุขเพราะทําแล้วก็จะถามางั่นแหละหรือคิดอยู่นั่นแหละว่าทําแล้วฉันได้อะไรแต่เราลองเปลี่ยนคําถามซะหมายว่าเออทําแล้วนี่ส่วนรวมจะได้อะไรบ้าง ทำแล้วสังคมจะได้อะไรบ้างเราลองถามอย่างนี้ดูบ้างถ้าเราถามอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่น่ารักกันคนที่คิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอสองกรมไทยเวลานี้เนี่ยมันเป็นสังคมที่น่าอยู่น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเอาแต่ถามว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรฉันจะได้คะแนนไหมฉันจะได้เงินฉันจะได้ชื่อเสียงหรือเปล่า แต่เราไม่เคยได้ถามว่าเอทําแล้วนี่สุลลุมจะดีขึ้นไหมหมาวาะชาจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือเพื่อนเราจะดีขึ้นไหมยอยากให้เราลองถามอย่างนี้ดูบ้างหรือเวลา เ, เกิดความพลัดพลา ด, ดสูญเสียงเงินหายเงินหายโทรศัพท์มือถือหายเจ็บป่วยอกหักหลายคนจะนึกขึ้นมาในใจเลยว่า ทำไมต้องเป็นชั้นเคยไหมเคยคิดแบบนี้บ้างไหมาทาไมต้องเป็นชั้นถ้าคิดแบบนี้นี่แย่นะเราจะรู้สึกแย่ลงไปเราจะรู้สึกว่าโอ้ชั้นนี่เป็นคนมีเคราะหเหลือเกินแต่ลองเปลี่ยนคําถามสมใหมว่าทําไมจะเป็นชั้นไม่ได้เคยนึกแบบนี้บ้างไหมทําไมจะเป็นชั้นไม่ได้ก็คนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันเขาก็เจอความพัดพลาดสูญเสียเจอความ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 ถามก็ไม่เป็นเราไม่ได้ตั้งคําถามไม่เป็นเวลาครูสอนเท่านั้นนะแต่เวลาเจอปัญหาในชีวิตมีอะไรมากระทบมีอะไรมากระแทกเนี่ยเราก็ตั้งคําถามไม่เป็นแล้วพอก็ตั้งคําถามไม่เป็นแล้วมันก็ตอบผิดเวลาเจอเพื่อนหน้าตาไม่สบายหรือว่าเร า, เราทักเขาแล้วเขาไม่ทักตอบเนี่ย เราจะทุกทันทีเลยถ้าเรานึกขึ้นมาในใจว่ากเก่งมาจากไหนถือดีมาอย่างไหนทักแล้วไม่ตอบเราจะทุกเลยนะทุกเพราะความโกรธทุกเพราะความไม่พอใจทําไมทักแล้วไม่ตอบเก่งมาจากไหนถือดีอย่างไรหรือว่าไม่พอใจฉันยังไงทําไมถึงทักแล้วไม่ตอบแต่เราลองเปลี่ยนคําถามสมัยว่าเออ เขามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเขาถึงมีสติกริยาหรือมีอาการอย่างนั้นเคยถามแบบนี้บ้างไหมเวลาทักเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ตอบหรือเพื่อนทำท่าทีไม่รับไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแทนที่จะถามว่าทาไมทักแล้วไม่ตอบหรือว่าทำไมเขาไม่พอใจอะไรฉันเราลองถามสมัยว่าเขามีเรื่องทุกข์ร้อนใจหรือเปล่าเา้าเขาถึงแสดงอาการอย่างนี้ ถ้าเราถามอย่างนี้นะเราจะเข้าไปหาเขาแล้วคุยกับเขาแล้วเราก็จะพบความจริงว่าเขากําลังมีความทุกข์เพราะว่าพ่อในไม่สบายก็จะมีความทุกข์เพราะว่าอกหักหรือกําลังไม่สบายใจพระของหายก็ไม่ใช่ว่าเขาเหม็นหน้าเราไม่พอใจเรา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 เจอคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์จะถามขึ้นมาเลยว่าทำอย่างไรเราถึงจะพ้นทุกข์ได้ทำยังไงมนุษย์เนี่ยถึงจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าพระองค์ถามอีกอย่างหนึ่งว่าทำางไงเราถึงจะมีอำนาจไปทั่วโลกได้ถ้าพระองค์ถามอย่างนี้นะพระองค์ก็จะเลือกเป็นจกักรพรรดิ แต่พระองค์ไม่ได้ถามอย่างนี้แต่ถามในสิ่งซึ่งคนไม่ค่อยได้ตั้งคำถามเท่าไหร่คนธรรมดาอย่างคนแก่คนเจ็บคนตายก็เรื่องธรรมดาแต่พระองค์เห็นแล้วฉุกคิดขึ้นมาแล้วเกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไงเราถึงจะพ้นจากความทุกข์อย่างนี้ได้ในบทสมบัธรมรมวัชชัยตลอดสวดเต็มนะจะมีคําถามหนึ่งซึ่งอัตามาเรียกเป็นคำถามเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก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 เป็นศาสนาแห่งสันติเป็นศาสนาแห่งอิสรภาพในการที่เราได้มีพุทธศาสนาก็เพราะว่าคำถามนี้แหละเป็นคำถามง่ายๆแต่ว่าวันเปลี่ยนโลกได้สังคมไทยนี้จะดีขึ้นมากนะถ้าคนเนี่ยไม่ถามว่าประเทศจะให้อะไรก่ฉันประเทศจะให้อะไรกับฉัน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 ฉุกคิดึ้นหน่อยเวลานี้เนี่ยเราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ถามในใจว่าทำอย่างไรฉันถึงจะรวยทำอย่างไรฉันถึงจะรวยเราลองเปลี่ยนคำถามซึ่ใหมายว่าทำอย่างไรฉันจึงจะมีความสุขรวยกับสุขนี่ต่างกันนะเดี๋ยวนี้เราถามกันคิดกันว่าทำอะไรฉันฉันจะรวยจบไปแล้ว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 คนซื้อเครื่องรางขอ ง, งขังด้วถุมงคลที่บอกว่าบ้านนี่อยู่แล้วม yes. ีความสุขรวยแล้วเนี่ยไม่ทุกเลยเนี่ยมีหรือเปล่ารวยแล้วเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยแลวมีหรือเปล่ามีมะคนที่รวยแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะรวยแล้วนี่เป็นหลักประกันว่าจะไม่อกหักได้มะรวยแล้วนี่จะเป็นเป็นหลักประกันว่าไม่ตายเนี่ยได้ไหมคนรวยแต่อกหักมีเยอะเลยดูตัวอย่างดาราก็ได้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 เงินกับชีวิตนี่มันทีมันบางครั้งมันก็ไม่ได้แยกกันแต่บางครั้งเนี่ยมันต้องเลือกจะเลือกเงินหรือชีวิตบางครั้งเราต้องเลือกเพราะอย่างเช่นเวลาเราถูกโจรปล้นเนี่ยโจรบอกเอาเงินมาไม่งั้นตายในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเราต้องเลือกแล้วว่าจะเอาเงินหรือชีวิตเจอแบบนี้จะเอาอะไรถ้าถูกโจรเอามีดจี้เนี่ยแต่ว่าเอาเงินส่งเงินมาไม่งั้นตาย นี่เราต้องเลือกแล้วว่าจะเอาเงินหรือชีวิตเจเ้เอาอะไรเอาชีวิตใช่ไหมแต่คนจนํานวนไม่น้อยนะต่อสู้ขัดขืนเพราะอะไรเพราะเรื่องเงินแล้วก็ตายถูกโจมันยิงโจมันแทงตายเวลาเราตอบเราตอบได้ว่าว่าจ้าชีวิตนะแต่เวลาในพอในความเป็นจริงเนี่ยขัดขืนต่อสู้เพราะว่าลึกๆ ก, ก, ก็เสียใจเงินคนเราจํานวนไม่น้อยเนี่ยนะ ไม่ใช่เฉพาะเวลาถูกจี้หรอกแต่เวลาเวลาในชีวิตปกตินี่ก็มักจะเลืกเงินด้วยก่อนบอกว่าถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวชีวิตสบายทีหลังดรวราธาแกก็คิดแบบนี้แหละนี่แกก็เปิดเผยเองเมื่อตอนที่เป็นมะเร็งว่าผมเป็นคนนึงแหละที่เลือกเงินผมกลับมาจากเมืองนอกผมก็ตั้งหน้าต า, ต า, ตาหางเงินผมทํางานหนักเพราะคิดว่าถ้าได้มีเงินเยอะแล้วผมชีวิตผมจะสบายในภายภาคหน้า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 และหลังจากนั้นก็ค่อยใช้ชีวิตยอย่างที่ต้องการแต่ปรากฏว่าทํางานหนักมาได้สิบกว่าปีก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งก็ทําให้ทํางานได้น้อยลงเงินก็เลยได้มาน้อยลงด้วยเจ้ก็เลยได้คิดว่าโอ้เราทํางานหนักเพราะเราเลือกเงินสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะได้เงินมากอย่างที่เราต้องการ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 ชีวิตเอาไว้ทีหลังสุดท้ายเงินก็ไม่ได้อย่างที่คิดส่วนที่จะโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตยอย่างสบายก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดว่าทำไงถึงจะรวยเนี่ยลองตั้งคําถามใหม่ว่ารวยแล้วไม่ตายนี่มีไหมรวยแล้วนี่ไม่อกหักมีหรือเปล่ารวยนี่แล้วก็ไม่เป็บไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มีไหมรวยแล้วก็ไม่ไหมายความว่าจะไม่ผิดหวัง ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่ไม่ประสบกับความล้มเหลวไม่ถูกตําหนิไม่ถูกนินทาเราลองมาตั้งคำถามเสียใหม่ว่าเออทำไงเราถึงจะไม่ทุกข์ทำไงเราถึงจะมีความสุขคนที่สุขทั้งๆ ท, ท, ที่มีเงินน้อยเนี่ยมีนะถ้านึกไปออกก็นึกถึ ง, ถงปู่ย่าตายายของเราพวกเรา่านี้ส่วนใหญ่คงมายอยู่ชนบทใช่ไหมปู่ย่าตายายของเราเนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจนกว่า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 ลวมทั้งยา น, นอนหลับด้วยแต่คนสมัยก่อนเขาไม่ได้เครียดขนาดนั้นเลยทั้งนั้นนี่เขาก็มีเงินไม่เยอะจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเอาไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเครื่องเล่นซีดีไม่มีวิทยุแต่เขามีความสุขแม้ชีวิตจะลำบากแต่สมัยนี้ชีวิตสบายก็จริงแต่เครียดมันแปลกนะชีวิตสมัยนี้สบายแต่เครียด เรามีเงินเยอะแต่ไม่มีความสุขนอนไม่หลับแต่สังเกตนะคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะหรืออย่างน้อก็ไม่ค่อยยากจนเท่าไหร่แต่ทำไมถึงฆ่าตัวตายกันเพราะความทุกข์นแต่ท่แทนที่เราจะนึกว่าทำไงถึงจะรวยเนี่ยเราลองตั้งจุดหมายชิดเส้นหมายว่าทาไงฉันถึงจะไม่ทุกข์ทำไงฉันถึงจะมีความสุข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 ฆ่าตัวตายมีทุกอย่างแต่ทาไมฆ่าตัวตายรวยชื่อเสียงเพราะอะไรเพราะไม่มีความสุขเพราะจัดการกับความทุกข์ในใจไม่ได้คนมีเงิน เ, น เ, นเยอะๆแต่ฆ่าตัวตายนี่เยอะนะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยแกถูกหวยแม่ถูกหวยได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินเท่าไหร่ทราบนะฮะยี่สิบล้านขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐนะ จากพ่อค้าเล่ธรรมดานในการเป็นเศรษฐีเงินล้านเดือนหนึ่งต่อมาถ่ายรัฐก็ขึ้นนานหนึ่งว่าเศรษฐี20 000, ล้านกินยาพิคค่าตัวตายเครียดหนักอาตมายังถ่ายรูปถไทยลัฐนานนั้นเอาไว้เลยถ่ายรูปเอาไว้เพราะมันมันชวนให้ปรง่งทําไมถึงค่าตัวตายเพราะเครียดหนักเครียดพราะอะไเพราะว่า พอถูกหวยเนี่ยถูรันที่หนึ่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตามมาใครๆก็อยากถูกลอตเตอรี่อแต่เคยนึกไหมว่า ถ, ถ้าถูกแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นตามมาใครต่อใครก็จะมาของเงินว่าเป็นญาติคนโน้นมาเป็นญาติคุณเป็นพี่น้องคุณแกถูกหวยยี่ิบล้านขึ้นไทยร้ฐนานหนึ่งเนี่ยโอ้โหใครต่อใครก็มาหาทั้งเพื่อนทั้งญาติญาติของเมียญาติของพ่อญาติของแม่แกก็ให้นะ แต่ให้แล้วคนที่ได้รับรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าได้น้อยไปโอ้ได้ตั้งยี่สิบล้านให้ฉันแค่หมื่นเดียวได้ยี่สิบล้านให้ฉันแค่ห้าหมื่นเดียวเขาไม่รู้หรอกว่าคนหมื่นเนี่ยก็มาขอเหมือนกันแต่รู้แต่เพียงว่าฉันได้น้อยไปก็เลยขู่ฆ่าโพมาขู่ฆ่าโทมาดาเครียดมากเนี่ยพ่อค้าเล่เนี่ยก็เลยกินยาค่าตัวตาย แต่ว่าลูกช่วยไว้ได้ทันนั่งสืบพิมาสัมภาษณ์แกก็บอกว่าเนี่ยตอนเป็นพ่อค้าเล่เนี่ยหาชา้ากินค่ําอะมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมาได้คิดตอนที่ถูกหวยแล้วเนี่ยจะบอกเล ย, เยตอนที่ผมจนกว่นี้เนี่ยหาชา้ากินข้าผมมีความสุขกับตอนนี้เยอะเลยรวยแต่ไม่มีความสุขนะจนแต่มีความสุขมากกว่า จะเอาอะไรเนี่ยเราจะเลือกอะไรบ่อยครั้งเลยความรวยกับความสุขนี่มันโคจรเส้นทางกันรวยแต่ไม่สุขแต่บางคนเนี่ยทั้ง ท, งที่จนแล้วก็เจ็บป่วยด้วยแต่มีความสุขจนแต่มีความสุขนี่มีเยอะนะดูชาวบ้านกันแล้วกันเทียบระหว่าง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 เจ็บป่วยนี่แต่ก็มีความสุขก็มีเนี่ยเคยได้ยินบางคนที่เขาบอกว่าเขาโชคดีที่เป็นมะเร็งเนี่ยโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่าตอนที่ไม่เป็นมะเร็งนี่ก็โอ้ยชีวิตนี่มีความก็เพลินในเพลินในชีวิตเอาแต่ทํามาหากินเอาแต่เทีย่ยวเอาแต่เล่นไม่สนใจอะไรเลยแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยทีแรกก็ตกใจกลัวมีความทุกข์แต่ตอนหลังก็ได้คิดว่า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 ความรวยนี่มันทําให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าชาวบ้านที่ขายที่ได้สิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยเขามีความสุขหรือเปล่าหลายคนนี่พอผ่านไปเนี่ยยากจนกว่าเดิมเพราะว่าเงินยี่สิบล้านนี้เอาไปเที่ยวหมดบางทีก็เอาไปเล่นเล่นการพ น, นันเที่ยวกับเล่นสองอย่างพอเงินหมดปกะกวด ท, ที่ก็หมดแล้วขายที่ไปแล้วทํา ม, มากินอะไรไม่ได้ ชีวิตนี่แย่กว่าเก่าวต้องเป็นกรรมกรรับจ้างเนี่ยเราลองตั้งเป้าหมายชีวิตของเรานะให้ดีๆว่าเจ้าเอารวยหรือจะเอาสุขจะเอาเงินหรือจะเอาชีวิตแล้วถ้าคุณเลือกความสุขนะอยากจะแน่ว่าให้ลองกลับมากลับมาให้ความสนใจกับจิตใจของเราเพราะว่าสุขหรือทุกข์นี่มีที่ใจนะคุณมีเงินมากแต่ว่าถ้าคุณวางใจไม่เป็นคุณก็ทุกข์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 จะศึกษาหาความรู้ก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจเลยซ้ำอย่าคิดว่าคุณจะได้เที่ยวได้เล่นได้นานนะเพราะว่าชีวิต น, นี้มันมันไม่แน่อย่าประมาทอย่าประมาทหรือเพลินในกำลังของเราพออยยุมาแล้วคุณก็จะรู้ว่าอาจจะนึกเสียดายขึ้นมาพอแก่ตัวโอเราไอ้เวลาที่ตอนที่เรามีกำลังวังชานี้เอาไปใช้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 ก็ยังไม่สายเพราะพระพุทธเจ้าได้เปรียบคนเราไว้สี่ประเภทนะท่านเปรียบเหมือนกับม้าสี่ชนิดชนิดแรกเนี่ยคือม้าซึ่งเพียงแค่เจ้าของเนี่ยถือประตังเนี่ยเพียงแค่มันเห็นเงาประตักที่พื้นเนี่ยรู้จักประตังไหมเราคงรู้จักนะประตังเนี่ยมันเป็นเหล็กแหลมคนที่อยู่ชนบทนี่ก็อาจจะเคยเจอม้าเนี่ยเวลามันเจอเงาประตักที่พื้นเนี่ยแตเจ้าของถือประตังนี่มันเห็นเงาเนี่ย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 เปรียบคนสี่ประเภทคือว่าคนประเภทแรกเนี่ยพอได้ยินว่ามีคนตายก็เกิดความสลดสังเวชก็สนใจเข้าหาธรรมะประเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นคนตายต่อหน้าถึงจะได้สติแล้วก็เข้าหาธรรมะประเภทที่สามนี่ต้องให้ยาตมิดตายเสียก่อนถึงจะสนใจธรรมะประเภทที่สี่นี่ต้องตัวนี้ต้องใกล้ตายเสียก่อน ความตายมาใกล้ตัวเจอกับตัวซะก่อนเช่นเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยถึงสนใจธรรมะประเภทนี้เรียกว่าไม่เห็นลงไม่หลังน้ำตาเราอยากจะเป็นคนแบบไหนประเภทไหนอันนี้จะาก็ฝากเอาไว้และสิ่งนี้แหละมันจะมีผลต่อการตั้งจุดหมายในชีวิตของเราให้เราลึกถึงความผันผลควรแปงในชีวิต และเราก็จะรู้ว่ามีเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่างถึงที่สุดแล้วแตม่มีแต่การฝึกจิตและมีใจเป็นที่พึ่งนั่นแหละที่จะทำให้เรามีความสุข ป, ปลอดจากความทุกข์ได้ไม่ว่าจะประสบกับความพันผวนป่ว น, นแปงในชีวิตยังไงก็ตาม